เรื่องสิบคูณผลแห่งกองทัพมารโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยในอริยะญาณธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสะท ม, มิทุกรูปทุกองค์โอกาสนี้ก่อนที่ฟ้าจะสางใต่เพลิงภู ในวันนี้เรามาพูดกันเรียกว่าทำมิจฉาก่อนฟ้าจะสางพระองค์หลาได้ทำความเพียรกันมาตั้งแต่ทั้งแ ต, ตีหนึ่งตีสองนี้จนปัน่นนได้ใช้ความอดทนความภาคเพียรความพยายามคมจิตคมใจฟื้นจิตฟื้นใจตนเอง เพื่อสังสมซึ่งคุณงามความดีบนยาบาละมีหน้าชื่นชมหน้าจินตีหน้าอนุโมทนาโดยเฉพาะสา ม, มนเนนน้อ ย, อยทั้งหลายกระผมขอยกย่องว่าเก่งกว่าผอมตอนเด็กๆพรมสมัยเด็กๆ็กมไม่ได้เก่งอย่างนี้หรอกแต่พ <c oughs> า, ามานั่งสมาธิตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาจนสว่าง มากินข้าวไม่ได้กินข้าวเด้มาอยู่ในป่าในเขาไม่กินมามา่าวันละสังห่ออย่างนี้พร้อมคงเพ่นนะครานี้ผมลักหนีไปแล้วนะสมัยก่อนนั้นนะแต่พวกเรานั้ น, นสามเนรน้อยหัวยังไม่พนปะยาเนี่ยผมลืมใส่ศรัทธาในความอดความทนความภากเสี่ยมพยายามแลวกะพระหนุ่ม ครบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาด้วยกันส่วนมากก็เป็นวัยหนุ่มวัยน้องวัยหลานของผมทั้งนั้นทั้งสามสิบสี่สิบูปเล่นแต่เป็นบุคคลที่น่ารักน่าอนุโมทนาในธรรมวินันี้ก็เพือมีความรู้สึกว่าเราโชคดีนะที่เราตั้งหลายได้มีความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เขาไม่คิดหรอกว่าจะมากันมาขนาดนี้ตอ น, น, นแรกๆก็พูดไปจเฉยว่าคงจะมีกันไม่เกินยี่สิบูกเพราะเราจะขึ้นไปอยู่ป่าใหญ่เขาสูงไกลห่างจากสังคมปลดเปลืองพันธนาการของสังคมความผูกพันจากชาวบ้านไอ้แด่กินมามาวันละสองหอ่อแทนข้าวไม่บินทบาทไม่พบคนป่าใหญ่ป่าลึกตรงไหนเราจะไปตรงนั้น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 เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล 2534-35 ปีนี้ถ้าเป็นผลหมากล่างมาก็เลยว่าลูกปลายมันกำลังจะวายแล้วแต่ก็ยังดีเราได้พากันสั่งสมอบรมรปะะมุญญาบารเมมาเช่นนี้จิทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตังสมังพาลังแม้พระผู้มีพระภาคจะปรินิพานไปแล้วก็ตามหรือยัง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 ของกิเลสตัณหาเป็นภาวะอันเดียวกันทุกยุค ท, ทุกสมัยสมัยพระพุทธเจ้าพุทธการมีความทุกข์อย่างไรเอาง่ายๆมีความหิวหิวข้าวหิวปลาหิวอย่างไรในสมัยนั้นก็ความหิวในสมัยนี้มันก็เหมือนกันไม่ผิดกันความอิ่มในสมัยนั้นเมื่อได้กินแล้วกับความอิ่มในสมัยนี้มันก็เหมือนกัน เพระนกักเลเตันหาที่มีอยู่ในจิตในใจของคนสมัยนั้นกับความมีอยู่ในจิตในใจของเราในสมัยนี้ก็เหมือนกันความสิ้นไปแห่งกิเลตันหาถึงวิมุตติภาพความลดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในสมัยนั้นมีอย่างไรในสมัยนี้ก็มีอยู่อย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะท้อทอยไม่ควรจะมีความตําต้อยน้อยใจว่าเกิดมาไม่ทันสมัยพุทธเจ้า เกิดมาไม่ทันสมัยครูบาอาจารย์เวกานมัน่นอาจารย์ผ่นอาจารย์โ ด, ด่งดังดังท่านมรณภาพไปแล้วอย่าน้อยใจว่าเราเกิดมาไม่ทันท่านเหล่านั้นมรณภาพไปก็ดีผลิิพานไปก็ดีตายไปก็ดีท่านก็ไม่ได้เอามรักพ้นเอานิพานนี้ไปด้วยเพื่อชังอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอริยโขปนนัสขังพมณีโลกุตตะลัลงทำ ม, มังปุริสัสสัตธนงังปัญญาเปมิ โดยก่อพามเราเกล่าวว่าโล ก, กุตตรธรรมอันเป็นอริยะนั้นเป็นทรัพย์ซึ่งเป็นของมีอยู่ของบรุษทั้งหลายของคนทั้งหลายในโลกเป็นของสาธารณะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเอาราเาะพูดมาถึงเรื่องราวที่เราทั้งหลายกําลังประพฤติตปฏิบัติกันปฏิปทานนี้ถ้าหาพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยูพอยนนพอ่พระองค์ก็คงจะยิ้มในมุมแห่งพระโอษฐคนแก่พูดว่าโอ้ เราชื่นชมในปฏิปทานี้เราเยินดีในปฏิปธานี้ท่านคงจะชื่นชมอย่างนี้เพราะการที่เราทั้งหลายต่าง อ, อกตัางใจทำความเพียรกันในป่าดงพองไผยใต้ถุนผาเพลิงผูนี่มันเป็นบรรยากาศสมัยโบราณ น, นู่นที่นี่สิ่งที่เราจะมาทำความรู้จักมันเช่งนี้เราคงจะ กระยิมยิ้มย่องพอใจในปฏิปทาแต่อย่าลืมนะว่าเราเผลอแทบเดียวเท่นั้นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือว่าความล้มเหลวความล้มเหลวจะเกิดขึ้นทุกเมื่อทั้งทางตรงทั้งทา ง, ง, ง, งอ้อมสิ่งเหล่านั้นเรียก ว, ว่าอุปสรรคก็ได้ศัตรูก็ได้มารก็ได้ในสมัยพุทธกาลท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามารพยามารมาละมาลัง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 ครั้งแรกเมื่อออกบวชเราจะเห็นได้ว่าตอนออกบวชนั้นก็มีพยามารมาคอยขัดขวางว่าอย่าไปเลยสิทศกมุมารรออีกสักเจ็ดวันเท่านั้นสมบัติเอกภพก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านภาษาสดาเพรว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นแต่เราปรารถนานิพพานต้องการจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์มันนั่นก็ตามไปเมื่อวันที่ท่านทําความเพียนอยู่ในป่ายอย่างโหดเหี้ยมประกาศจดยืนอย่างเด่นชัดว่า เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปจะสรีละนี้ก็ตามเหลือไว้จะเพียงเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจเะเรียกอยู่ก็ตามการมังตะโจจะนหาโรจะอธธจัติจะรัศศุตูเหลือเพียงเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายนี้ส่วนเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปจากร่างกายนี้ก็ตามที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 บอว่าพัทโธสิสะพะปาเซหิเยธิพาเยจะมนุษยามหาพันธนาพัทโธสิน a เมสัมณโมคสีติแปลว่าบวงของเราจะคล้องท่านทั้งที่ทเป็นบวงทิพย์และบวงมนุษย์บวงอันยิ่งใหญ่ของเราจะโผลกพันท่นานนะเมสมณโมคสีติสมณะท่านนีไม่พ้นเราหรอก ท่านจะนิเป็นไหนอีกจะ่ว่าให้ดีนะระดับพระสาสดาระดับพระพุทธเจ้าและพยามาณก็ยังครูมีทีเด็ดที่น่าหวาดกลัวมากอันหนึ่งก็คือถ้อยคำที่ประกาศออกมาว่าอันตริทะจรปาโซยะวายังจรติมนานโซนมมณะเมสมณโมขสวิติขออภัยในภาษาบาลีไว้อย่งงางนี้อวบวงของเรารอยอยู่ในอากาศ บ่วงของเราลอยเข้าไปแลมในจิตใจของท่านจะผูกท่านจะมัดท่านท่านนี้ไม่พ้นเราแน่แน่ท่านจะไปไหนสมณะนี่คือคำครูของมารคำครูของมารทีมครูพระพุทธเจ้า <c oughs> ครูพระโพธิสัตว์แล้ว อ, องค์ก็ได้ต่อสู้มาตลอดเวลาเจ็ดปีวันสุดท้ายชัยชนะของท่านกเกิดขึ้น เราจะเห็นอยู่ตลอดว่าเมื่อพระองค์ทําความเพียรอย่างเพ็ดร้อนพญามารมาันก็มาบอกมาบอกว่าท่านตายไมแน่นะท่านจะได้ทําความเพียรเดนนี่ความตายของท่านเนี่ยมีเพียงมีแต่หนึ่งพันส่วนส่วนชีวิตท่านจะเหลืออยู่เพียงส่วนดเดียวท่านมีชีวิตมันยังดีกว่าตายนะจะได้ทําบุญทาทานอะไรพวกนี้แหละทั้งหมดนี่คือเรื่องของมาร แล้วก็ยังมีกองทัพมีขุนพลนะประจํากองทัพทั้งสิบขุนพลแห่งกองทัพมาด้วยเหตนี้เราทั้งหลายทําความเข้าใจให้ดีมามาฟังกันก่อนก่อนที่พวกเราจะขึ้นมาทําความเพียร น, นี่ก็ดีตอนที่พวกเราจะบวชในศาสนานี้กติีพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสว่าพวกเทวดานั้นเขาสละเสริญ ว่าดวดยก่พิสุทธุทั้งหลายแตยโยเมพิกเวเทเวสุเทวสถานิฉลันติสมยาสมยางอุปาายะว่าอย่างเงี้ยดยก่พิสุทธุทั้งหลายเสียงของเทวดาทั้งหลายจากดังขึ้นเปล่งขึ้นโดยปีติสามสมัยคือสมัยใดอริยสาวกก้นผมปงหนวดนุ่งผ้ากาสาวพัช เป็นผู้ออกแล้วจากเรือนเป็นบุคคลไม่มีบ้านไม่มีเรือนออกบวชสมัยนั้นเสียงเทวดาก็ดังขึ้นท่านหมาอย่างเงี้ยคือตั้งแต่เราบวชเสียงเทวดาก็ดังขึ้นว่าบัตหนี้พุทธสาวกตั้งแต่ตอนโกนผมโกนหนวดนี่เสียงเทวดาทั้งหลายดังกกก้องในท้องฟ้าในอากาศ เดสมิสมัยเดสมิงพิกเวสมัยอริยสาวโกเกสมุสุงโอหเรตวากาสายานิวัานิอัจฉริเตตวาอาคารสมาอคาเรียงปภัชชายเจเติติเดสมิงสมเยเทเวสุเทวัสทอนิชลานิชลติสมัยใดพุทธสาวกอริยสาวกโกนผมโกนผมโกนหนวดนุ่งผมผ้ากาสาวะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือน สมัยนั้นเสียงเทวดาก็จะเปล่งขึ้นเอโสอริยสาวโกมาเลนะสถิงสั่งขมายะเจเตติโอบัณนีอริยสาวกได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สงครามกับพญามาณแล้วอะยังพิคเวปรเทมปัโมเทเวสุเทวสโทโนนิชลาตีสมัยาสมัยังอุปาถายะด้วยกวามพิสุจ์ทั้งหลายนี้เป็นเสียงของเทวดา ค, ครั้งแรกที่เปล่งขึ้นในสมัยนั้น ต่อมาอเมื่อระบวดเสียงเทวดาเขาก็เปล่งขึ้นแล้วว่าเราเตรียมตัวที่จะเข้าสู่สงคารามทีนี้เอาใกล้เข้ามาก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราทั้งหลายเตรียมบาดเตรียมกดเตรียมจีวรเตรียมกระติกน้ำสี่ห้าวันไม่ทำอะไรกันที่วัดเตรียมตัดสลกบาเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างใครไม่มีก็ช่วยกันจัดกูลีกูจอเตรียมว่าจะขึ้นภูเขาป่าใหญ่เขาสูง ไกลห่างจากหมู่บ้านเราจะไม่รับอาหารบินทบาทจากชาวบ้านเราจะบุกเข้าไปสู่ป่าใหญ่เขาสูงป่าสูงดงใหญ่หนู่นและหอบเขาป่าพงดงดอนตั้งอกตั้งใจทําความเพียรกันอย่างเข้มข้นตลอดเวลายี่สิบวันขอให้มีน้ํากินและเราก็ตัดสินใจตกลงใจกันว่าจะกินมามา่มาองค์ละสองหอ เมื่อนั้นเสียงของเทวด า, ากด็จะดังขึ้นอย่างเกือกก้องว่าบัดนี้อริยสาวกตเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สนามรบกับพญามานเชื่อฟังให้ดีนะว่าเมื่อเทวดาสาธุการดังเกือกก้องไปหมดแต่คนธรรมดาเราจะไม่ได้ยินหรอกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินคือพญามานฟังให้ดีนะว่าเมื่อเทวดาสรรเสริญเกือกก้องขึ้นเชียร์ขึ้นพญามานได้ยินแล้ว พามาก็ตั้งท่าทันทีนะเขาก็ประกาศทันทีเขาบอกว่าพัทธสิสะพปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษา ah ina, h, สามหาปันดาพัทธสินเมสมนโมกสีติจะไปไหนสมณะจะเก่งสักขนาดไหนจ ะ, ะขึ้นอยู่ป่าไหนภูไหนถ้าไหนท่านหนีไม่พ้นเราบวงอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งเป็นของทิพย์ของมนุษย์จะคล้องใจท่าน อะไรคือบ่วงของมารฟังให้ดีรูปรสกลิ่นเสียงที่มันเคียงสัมพันธ์มันก็คือบ่วงมารที่จะมาโกมัดเรามันตามมาได้อยู่ในป่าเขาหุบเขาป่าพงดงดอนเมื่อพยามารได้ยินเสียงของเทวดาเขาก็เตรียมที่นี่ยิ่งพวกเราขึ้นมาถึงตรงนี้แหละเอาลาลมาแล้วเราก็มาทำความเพียรกันตามปกติเราจะรูก้กันตีสองแต่นี่ตีหนึ่งกว่ากวามากันแนละ้ว ตีหนึ่งกันมากันหมดแล้วนั่งสมาธิในธรรมกันเต็มไปหมดละหน้าเสลเสรหน้าอนุโมทนาสาธุการในช่วงนี้เสียงของเทวดาจะาตั้งเกือกก้องขึ้นอีกสองเท่าพระพุทธเจ้าของเราบอกปุณณะจะประลังพิกเวจะสมมิงสมเยอริยสาวโกสัตตนังโพธิปัจขิยานังธรรมานังภาวนนานุโยคามนุยุตโตวิหรติสัตสัมมิงพิกเวสมยเทเวสุเทวสัทโทนิชชลตี ดูก่อนที่สุดทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกสมัยใดอริยสาวกเจริญโพธิปัจคียธรรมทั้งเจ็ดประการภาวนาประกอบอยู่เจ็ดประการมีอะไรสติปทานสี่อิทิบาทสี่สมมาปทานสี่อิน 4, 5, รี่ห้าภาละห้าโพธิสังเจตมักมีองแปดเจ็ดประการรวมเป็นสามสเจ็ดประการเมื่อใดเราจเจริญทำเหล่านี้เมื่อนั้นเทวดาทั้งหลายก่อสาทุกการขึ้นอย่างกึ็กก้อง ทั่วทั้งพี่พมนทนทั่วทั้งจักราวาลอันไพศาลว่าบัดนี้เอโซอรียาซาวกโกมาเลนัสทิงสังคาเมติติอยังพิขเวตุติโยเทเวสุเทวะสะโตนิชลาติสมยาสบัญญัตอุปาทายะนี่พระพุทธเจ้าระวายอย่างนี้ว่าบัดนี้อรียสาวกนั้นได้เข้าสู่สงครามกับพญามาเต็มรูปแบบที่สุดตังหายนี้แหละเสียงของเทวดา เปลงขึ้นมาดังขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองทุเตียวเทเวสุเทวะสัตโธให้ช่วยฟังให้ดีตอนนี้เรากำลังให้เทวดาสลอเซิร์นกึกก้องครั้งที่สองเพราะเราทั้งหลายได้มาเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเป็นกายานุปัสนา บางทีเราก็จะมีสติบางท่านก็เพ่งดูความรู้สึกในขณะนี้เป็นสุขเป็นทุกข์ขี่เกียงห่วงเงาเศร้าสำด و มไปเป็นเทเวทนานุปัสนาและในขณะเดียวกันบางท่านก็ดูจิตบางครั้งท่านก็จะดูความรู้สึกในจิตในใจในกายในอะไรทุกอย่างที่เรียกว่ารมทั้งหมดสจ้ที่ประธานสี่ได้เ ร, ริ่มทํางานอย่างเต็มที่ปฏิบัติการของสติปัญญาพร้อมทั้งการกระทําความเพียรที่เรียกว่าสัมมาประธานนี้ เทวดาเขาก็สาธุการอย่างกิดก้องในช่วงนี้แหละเตรียมตัวไว้ให้ดีวะพวกพญามารก็ยิ่งเตรียมพลังเตรียมขุนทับมาทันทีอย่างยิ่งใหญ่กึกก้องมาโหรานเลยทีนี้ต่อมาครั้งที่สามช่วงนี้ <c oughs> คงจะยังเอกไกลเพราะว่าสมัยใดอริยสาวกชนะสงครามกับพญามารทำลายอาสะวะสังโย์ ทั้งสิบให้สิ้นไปหรือเริ่มทําตั้งแต่สังโยน์ต่ำๆสกฤตทิฏฐิวิจิิจช้าสีะ ร, ระพตะปรมาสิ่งไปเสียงของเทวดาก็สาธุการเกิดกล้องคล้ายๆกับเราเชียมวยคนของเรานนั้นว่าบัตนี้ริยศาวะโววิชิตะสังฆาโมอตเมวะสังฆามาสีสังอภิวิชยาอาชาวะสติติอยังพิขเวตติยโยเทเวสุเทวสโต ในิพงศหลายเสียงเทวดาขังที่สาม บ, บัตินี่อริยสาวกใดพิชิตสงครามเอาชนะพยามารแล้วแต่ชัยชนะของพวกเรานั้นยังอยู่ไกลยังอยู่ไกลเสียงสมัยที่สามนั้นคงยังไม่ได้ยินง่ายๆเท่าที่เล่ามานี่พระพุทธเจ้าท่านเล่าเราเอาไว้มีเรื่องมีราวมีตัวอย่างมีหลักฐานอิติพุทธกะคุตตะกนิกายสัทธสูตร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 เมื่อพยามันมีสิบกองพลเราก็มีสิบจอมประจัญบานของเราเอกเหมือนกันที่จะยันหน้ากับพยามันฟังให้ดีนะถ้ามีเช่นนั้นจะถูกนอกกลางอากาศยังไม่ครบยี่สิบวันหรอกในป่าในเขาเนี่ยมันมีทุกรูปแบบทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทั้งกองทัพรถทั้งประจามาอะไรต่างๆปุวใหญ่ๆของมันบินวัดทั้งนั้นนอกจากนั้นยังมาข้างล่างมาใต้ดินเนี่ยมันเป็นสงครามร้อนสงครามเย็นใต้ดินบนดินเนื้อฟ้า เป็นสงครามแห่งวัตถจักรเพราะฉะนั้นกองกําลังของเขาเนี่ยก็จะข้นกันมาทุกรูปแบบมันยิ่งกว่าพายุตะการทะเลทรายพายุทะเลทรายของจอร์พูดกับซัดดัมฮุตเซนด้วยซ้ําไปเพราะว่ามันเป็นสงครามร้อนนี่มันเป็นสงครามเย็นคำ ม, มารานมาร์นันันก็คือ Destroy er, Destroy er, เดสเตอร์เยอร์เดสเตอรเยอร์นีคือผู้ทําลายผู้ทําลายทําลายจิตทําลายใจเราก็ต้องมารู้จัก กองทับมานเมื่อพวกเราตั้งอกตั้งใจทําความเพียรตื่นดึกลูกชาวัวนนี้ขมีขมันพรุ่งนี้อาจจะเฉื่อยชาพรุ่งนี้อาจจะเบื่อหน่ายพรุ่งนี้อาจจะคลายความเพียรพรุ่งนี้อาจจะเจ็บหัวปวดท้องอยู่ดีๆอาจจะมืดฟ้ามัวฝนตกลงมาอาจจะพบอากาศอันน้ําเน็บอยู่ใต้เงื่อมผ้าเพลิงโพงเขาป่าพงดงดอนฟ้ารพัดที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นจิตใจของเราก็จะเริ่ม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 ที่ชำนาญกับจุดอ่อนของเรานั้นเนะี่ยจะลุยให้เราแตกกระเจิงกระจายไประวังจะทูกนกนกลางอากาศนะคนที่กระตือรือร้นคนที่กัดฟันที่จะทําความเพลียคืนนี่ไม่นอนอย่างเนี้ยแบางท่านไม่กินข้าวอะไรพวกนี้เตรียมการให้ดีๆมันจะมาข้างหลังมาข้างหน้าไม่ได้ก็มาข้างหลังมันมาข้างห ล, งงลังแล้วเราไม่รู้ตัวระวังเตรียมอาวุธไว้ให้ดีๆ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 จะใช้เรือปืนจะใช้จะลวรวดทบมาฮอกอะไรต่างๆอย่าได้ไปคิดเลยวิฉะนั้นอเมริกันเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วจะใช้เทคนิคเฟอร์เฟอร์ยังไงมาก็ตา ม, มสู้มันไม่ได้หรอกเราจะต้องใช้บุตดาเทคนิค <c ười> คือเทคนิคของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยเอาชนะพญามารพร้อมทั้งกองทัพมาแล้วยัาไม่ดีนะเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคใหม่ๆมาเจอะ ผมเคยพบฝรั่งบ่อยๆพวกฝรั่งเขาก็กระตือรือร้นที่จะทำสมาธิภาวนาทำความเพียรทั้งนู้นเขดังทางฝรั่งทางอเมริกาทางยุโรปคือมหาศีเทคนิคเขาก็่จะถามว่าเขาเคยทำมหาศีเทคนิคและท่านใช้เทคนิคอะไรเนี่ยมหาศีสยาดอเทคนิคนะครับพูดสั้นว่ามหาศีเทคนิค มหาศิเทคนิคก็คือที่เราเอามาใช้กันอยู่ในประเทศไทยยุกนอพองน้อยกนออย่างน้อเหยบนออะไรน้อกันไปทั้งหมดที่ภาคตัวเองไว้นั่นนะนั่นแหะพวกฝรั่งเขาเรียกว่ามหาศีเทคนิคคือเทคนิคของมหาศรีสยาดอกเหมือนคำว่าดองดังเขาก็เคยพูดกับฝรั่งว่าที่นี่ไอใชย้ยพุทธดาเทคนิคเทคนิคของพระพุทธเจ้า จะลือนะวันนี้เราจะใช้เทคนิคกองพระพุทธเจ้าที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับกองกำลังพญามาร10คุนพลแห่งกองทัพมารเราจะต้องมีิ0จอมประจัญบานแห่งกองทัพธรรมช่วยฟังให้ดีตอนนี้มาเรามารู้จกักคุณพลแห่งกองทัพมารให้รู้จักชมหน้ามันให้ดีๆมันนี่ทุกแบบทุกรูปแบบเลยชมหน้าของกองทัพพญามารตั้งแต่กองพลหนัก อาวุธหนักนกจนถึงกองพลจรวดเรือนดำน้ำอะไรต่างๆโอหน่าคิดทีเดียวนะทำไปเล่นไปพระพุทธเจ้าท่านได้เล่าไว้ว่าในตอนที่ท่านทำความเพียรใหญ่ๆเนี่ย ท, ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาในช่วงนั้นท่านรู้สึกว่าจะทำบำเพ็ญทุกขกระกิริยาทรมานตนเอง ตามที่เขาว่ามันดีก็ต้องลองดูซะก่อนอตตะกิละมัฐานุโยคเคยทําเคยอยู่ดังสะดวกสบายทุกอย่างเป็นการมัสุขาริการุโยคมาเต็มที่แล้วก็ไม่เห็นมันจะได้พ้นมิเตณําบันที่จะจมปลักลงไปในเรื่องการมารมถอนตนไม่ขึ้นเมาทอนตนออกอย่างนี้ก็ไปอีกสุดตรงอีกข้างเลยบอาอตตกิละมัฐานุโยคทรมาน พวกเดรธีนี้คนอเจรกปริพาชกเขาทรมานได้อย่างไรพระองค์ก็ต้องลองทำดูว่ามันจะเป็นทางไปเพื่อความสิ้นสุรแห่งทุกที่กเกษมพงโยคะหรือไม่เมื่อทำไปทำไปจนพร้อมกระหล่งกระแหล่ ง, ลงมีผิวพันสมองอดข้าวอดน้าคานสีขาอ้ยทรมานล้าอย่างจนเพา อ, อเมื่อแต่นหนังห่มกระดงมารก็ได้โอกาสช่วนฟังให้ดีนะ พวกเราดีบางคนกัดเคี้ยวกัดฟันจะเอาให้เป็นพระ อ, อริยเจ้าให้ได้ฉันจะทำความเพียรให้บรรลุเพ่งระวังให้ดีในช่วงนี้พยาบาลก็หัวเราะเอึออืกทำไปเถอะนะเมสมณโมคสีติสมณ ะ, มมณะท่านนี้ไม่พ้นเราเมื่อเราทำไปจนเหนื่อยเต็มที่แล้วมันก็จะมากระชิบปล่าบอกเลิกเถอะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคนอื่นทามายังไม่ได้เท่าเรานี่หรอกเขา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 ลอยเข้าไปในใจท่านแล้วในนี้ยังไม่ผูกใจท่านพราะใจท่านกําลังรุนแรงกําลังกัดเขี้ยวกัดฟันรับูรับตาเพียนเพ่งเพื่อจะบรรลุธรรมแหมครั้งนี้จะเอาให้มันได้ฌานที่หนึ่งสองสามฟีจะให้มันมีเจโตปริญญาให้มันเกิดหู้ทิพตาทิพยาแหละไปโน่นเขาก็เฉยไว้สักก่อนเดี๋ยวกําลังความเพียรเราอ่อนเมื่อนันก็สวมกึ๊บพระพุทธเจ้าของเราท่านเราอ่ะมานได้เข้ามาหาเราผู้มีตนส่งไปแล้วเพื่อความเพียร บากบรนย่ญญางยิ่งเพ่งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแห่งแม่น้ําในรัญชลาเพื่อบรรลุดิพานอันกเสพจากโยคัตกาวาจาหน้าเอ็นดูว่าไนะหนไม่ล่ะกาวาจาหน่าเอ็นดูนะณมูจีกรุนังวาจังพาสมาโนอุปาคมีภาษาบาลีว้อย่างนี้แปลว่ากลาวาจาที่หน้าเอนดูวท่านผู้สู้พร้อมผิวพันเส้าหมองความตายของท่าน ใกล้เข้าม า, าว่าอย่างเงี้ยกิสโสตวะมะสิทุพันโนท่านผู้สู้ผอมผิวพรรณของท่านเศร้าหมองเห็นมไหมละ่ะหลังจากนั้นบอกว่าสันติเกมลนังตวะสหัสภาโคมลนัสสะเอกังโสตวะชีวิตังชีวิโตชีวิตังเซโยชีวังปุญญานิกาสิสันติเกมรนังตวะความตายใกล้ท่านเข้ามาแล้วนะกระชิบกระชิบนะเข้ามากระชิบ น่าเอ็นดูน่ารักเหมือนกับว่าสงสารเหากลัวรเราจะตายบอกว่าความตายของท่านนะใ ก, กล้เข้ามาแล้วสันติเกมาลานังตะวะความตายใกล้ท่านเข้ามาทุกทีเหตุแ่งความตายของท่านมีตั้งพันส่วนความเป็นอยู่ของท่านมีส่วนเดียวชีวิตของท่านถ้ายังอยู่ก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่าเพราะว่า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 ท่านยังทําบุญทํากุศลสุ่นทรอทานอย่างอื่นได้ประพฤติอย่างอื่นได้มีประโยชน์อะไรกับการทําความเพียรเช่นนี้เดี๋ยวมาตายว่าอย่างเนี้ยาตายไปแล้วมันทําประโยชน์อะไรไม่ได้ทางเพื่อความเพียรพึงดําเนินไปได้โดยยากกระทาได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากเขาว่าอย่างนี้ทุกโคมะโคประธานายะทุกกะโรทุระพิสัมภะโบทาได้ยากทาได้ยาก ทางแห่งความเพี้ยนกระทำได้ยากนำเนินไปได้ยากกระทำได้ยากทำให้เกิดปีติได้ยากเลิกเถิดการพูดอย่างอย่างนี้เหมือนกับมันมีตนมีตัวมีตนมีตัวแต่ความจริงที่เล่ามานี้เราจะต้องมองกันสองด้านคือส่วนที่เป็นรูปประธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมคือส่วนที่ในจิตในใจท่านผู้นํามันมีความหมายทั้งปุคลาทิฐานคือยก แบบเป็นบุคคลตัวตนขึ้นมาเป็นที่เ ป, เปรียบเปยเอ่อยอ้างถึงพยามารเป็นตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนี้แต่ลึกในกับในในในลงไปนะั้นมันเป็นธรรมมาทิฐานเป็นเรื่องของจิตใจเราฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ํามันจะรบกันมันจะต่อสู้กันฝ่ายหนึ่งจะไล่ไปตามกิเลสฝ่ายหนึ่งฟื้นใจจะขึ้นไปสุคุณธรรมเบื้องสูงก็เลยได้รบกันเรียกว่าเป็นธรรมมาทิฐานเป็นเมตาฟิสกันเวออสติเกิง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 ทางเพื่อความเพียรพึงดําเนินไปได้ยากกระทําได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากความหมายนี้ก็หมายถึงว่าจิตใจของเราส่วนนึ่งผู้ใดปลับเคี้ยวกัดฟันลับหูหลับตากระทําความเพียรจะเอาให้เก่งเกินคนอื่นจะเป็นพระอริยะให้ได้อย่างน้อยต้องมีฌานมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพอาล่ะทีนี่อด ต่างใจมันยิ่งไม่สงบคุณยิ่งอยากสงบมันก็ยิ่งไม่สงบเมื่อมันไม่สงบคุณก็ยิ่งอยากสงบทีนี้ก็เลยเกิดตะ บ, บุญตะวายอดข้าวก่อแล้วอดนอนก่อแล้วมันก็ยังไม่ยอมสงบยังบุญยังไบรในที่สุดมันก็จะมีความรู้สึกกระชิบขึ้น ใ, นในใจว่าทําไปทํามาเดี๋ยวเราก็ตาย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 ทุกขโตมโกประทานายะทุกขโรโทุพิสัมภะบกนั่นเห็นนั้นแหละมันบอกว่าชีวิตของท่านยังอยู่นั่นก็เสดกว่าเพราะว่าท่านเป็นอยู่จักกระทําบุญได้พวกเราก็เหมือนกันไม่เข้าใจว่าตนเองได้ทําบุญอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการให้ทานยิ่งกว่าการสมาทานสิ้นแปดอย่างอื่นคือการเจริญสมาธิภาวนาตัดฟันต่อสู้ปฏิโสตคามิงทวนกระแสแห่งความรู้สึกเหล่านี้ แต่เสร็จแล้วเราก็โถพยามาลกล่อมคืออารมณ์ไฟต่ำเฮ้ยทําไปก็แค่นั้นแหละเราทํามามากขนาดนี้ก็ไม่เห็นมันดีอะไรขึ้นความเพียรก็ื่อทำมากถ้าอย่างนี้อยู่ไปวันวันศึกไปดีกว่ามีลูกมีเมียเหมือนชาวบ้านถ้าจะตกนรกมันคงไม่ตกแต่เราคนเดียวมันคงตกกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองคนที่ไม่เคยทําความเพียรอย่างเรานี่มันจะตกมากกว่าเรามันก็เน่นนรกเรายังได้อยู่ข้างบนมัน่นแน่เห็นไหมล่ะสรุปเอกง่ายๆ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 แต่เราจะไปเนื้อบุญเนื้อบาปปาปันจะบุญยันจะทั้งบุญทั้งบาปทั้งหมดนี้เราจะต้องถอดต้องทิ้งจะต้องละต้องปะต้องวางไม่ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนมาตกนรกลบลุมไหนแต่จะไปสู่ความดับทุกข์ <ừ. S 1> เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกมานว่าท่านควรจะไปพูดกับผู้ที่เขาปาัถนาบุญถามาอย่างนี้ผู้ใดเป็นผู้ปัถนาบุญ ท่านก็ควรจะกล่าวกับผู้นั้นผู้ใดมีความต้องการบุญมารควรจะกล่าวกับผู้นั้นพระพุทธเจ้าว่ายอย่างนี้แต่ท่านนั้นท่านไม่ปะถนาบุญและทว่ า, วาเรานั้นจะภาคเพียงพยายามประโยชเช่นนี้นมารบอกว่าท่านมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งส่วนแต่ความตายใกล้ท่านเข้ามาพันส่วนท่านมีชีวิตอยู่ประเสริฐกว่าการตายนะ ช, ชีวิตโตชีวิตตังเสยโยชีวังปุญญาณิกาหาสนะิเห็นไหมท่านมีชีวิตอยู่ประเสริฐกว่าท่านตายท่านมีชีวิตอยู่ท่านจังทําบุญทําทานได้แต่พระพุทธเจ้บาบอกเราไม่จะปาถนาบุญถ้าผูดได้ปาถนาบุญท่านเพิ่งไปหาพูดนั้นบุญนั้นยังน้อยไปกว่าคําบอกกุศลคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดในเรื่องมารในเรื่องอารมณ์ของตนเองนี่แหละด้วยเหตุนั้น พระพุทธเจ้าของเราท่านกันเลยประกาศกำมานมานเพราะว่าท่านมีชีวิตอยู่ดีกว่าท่านตายพระพุทธเจ้างเราบอกสังคาเมเม ม, มันตังเซยโยยันเจชีเวปราชิตโตเราตายเสียในขณะที่ต่อสู้กับมานเนี่ยยังดีกว่าการเป็นอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้ยันเจชีเวปราชิตโตยังดีเสียกว่าการเป็นอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้ต่อกิเลสต่าง ให้ฟังให้ดีนะพวกเราเดี๋ยวจะอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ตั้งอกตั้งใจแล้วต้องตั้งใจทำความเพียรกันให้ดีๆไม่ว่ามันจะมารูปไหนครั้งแรกเขาจะมาปลอบใจเขาจะมาปะลาปลโลมจะชักชวนว่าการทําความเพียรอย่างเผ็ดร้อนอย่างนี้ดูสิมากับคูบาอาจารย์นอนในดินกินอยู่ก็ไม่ได้กินข้าวกินมาม่าวันละสองหอ่อมีน้นําซ้ําหนาวก่อนหนาวอยู่บนภูเขาสูงใต่ เริ่อพาเพลิงภูฝนตกมานี่จะอยู่ยังไรโถออยู่บ้านพ่อบ้านแม่เราไม่ได้เดือดร้อนขนาดนี้วัดว่าอารามเขาปลูกให้ใหญ่โตอยู่ดีๆไม่ชอบดันมานอนในป่าได้ดงเดี๋ยวมลาลาเรียจะกินหัวได้จะไข้ป่าอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละถ้าท่านคิดโอนเอียงไปหวากลัวต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อนนั้นแสดงว่า ม, มารกาลังครอบงำท่านแล้วดูเหนี้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 ท่านไม่ต้องมาโคท่านไม่ต้องมาตาวาท่านไม่ต้องมากาวาจาหน้าเองดูกับเรารอกกองทัพของพระยามานมีเท่าไหร่ฟังให้ดีนะกองทัพของพระยามานมนั้นมีถึงสิบกองทัพเมื่อมันมีสิบกองทัพมันก็มีสิบคุณผลอีกเหมือนกันลองฟังให้ดีแล้วก็ลองพินิจพิจารณาว่าใครมีแล้วใครโกมานเข้าไป ตลุมบอลและใครถูกมารที่บกทลวงเข้าไปบงังแล้วพระพุทธยังเราว่ากามาเตปธมามเสนาทุติยารติวุจติตติยาโกปิปัสเตจดุทีตันห้าปวุจติปัญจะมังทีนิมิทันเตชทฏทาผิวปวุจติสัตมีวิจิขิชาเตมคโคทัมโพเตอธรรมโอลาโพสิโลโกสกาโรมิชารโทโยโยยโสโยจตานังสมุขกังเซเปเรจะอวชานติ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 เขาว่ากามเรากล่าว่ากามทั้งหลายเป็นเสนาที่หนึ่งของท่านเขาว่าเสนานั่นก็แปลว่าทหารผมขอตั้งให้ว่าเป็นขุนพลที่หนึ่งกองทัพอันยิ่งใหญ่กองทัพที่หนึ่งกองพลที่หนึ่งของพญ า, า ม, มารคือเรื่องกามเรื่องการ ม, มารมเรื่องเพศเรื่องเซกเรื่องลูกเรื่องเสียงเรื่องกินเรื่องรดนี่แหละพระเนรเรามันตายเพราะกองพลที่หนึ่งของมารนี่อา้าวแล้วเราจะต่อสู้อย่างไรเอาฟังไปก่อน รู้จักโฉมหน้ามันให้ดีๆสิบคุณพลแห่งกองทัพมารและเราจ้งมารู้จักสิบจอมประจัญบานแห่งกองทัพทำยันหน้าพยายามาให้มันจูงมัดกลัวมันอะไรกามทั้งหลายเรากะว่าเป็นกองพลที่หนึ่งกองทหารที่หนึ่งของท่านความไม่ยินดีเรากะว่าเป็นกองพลที่สองทุติยารติวุตจติ ตติยาเปรวิที่สองติวจุจติความไม่พอใจความไม่ยินดีเรากะว่าเป็นกองพนที่สองกองพนที่สามตติยาภุปิปาซาเตความหิ้วและความกระหายเรากะว่าเป็นกองพนที่สามต่อมาที่สี่จะตุเทจะตุทีตท่ตันห้าปะวุจจติเรากะว่า ปัญหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยา ก, ยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากพบเรากล่าวว่าเป็นกองทัพที่สี่ของท่านส่วนกองทัพที่ห้าปัญญมังธีนาะมิทันเตตัวนี้ก็เก่งไม่เบาเลยตื่นมาตั้งแต่ตีหนึง่งตีสอง ม, มันก็ระดมกําลังโดยเฉพาะใช้กองทัพนี้ถล่มทะลวงอยู่ กองทัพที่ห้านั่นคือความมั่งเงาเานอนทีนะมิธะความมั่งเง า, านอนจึงว่าปัญจะมังทีนามิทันเตสศธาพีรูปปุจจติส่วนกองทัพที่หกคือความขาดกลัวเรากับบาปเป็นกองทัพที่หกของท่านกองทัพที่เจ็ดคือความสงสัยล่ำไปในการประพฤติปานปฏิบัติสัตมีวิจิกิจชาเตมาโคทัมโพเตอัตมโม ความสงสัยเรากล่าวว่าเป็นกองทัพที่เจ็ดคุนพ้นในหัวหน้าใหญ่มันที่เจ็ดส่วนที่แปดความหลบหลูความหัวดือ้อเรากล่าวว่าเป็นกองทัพที่แปดส่วนกองทัพที่เก้าลาบสักระสันละเซนเย็นโยเป็นกองทัพที่เก้าลาโธสิโลโกสก卡尔กองทัพที่สิบมิชาลโทยจโยยาโซการได้ยศ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 เพ่มความสุขเหล่านี้โย่เรายอมตายเสียดีกว่าที่จะอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อไซนาของท่า น, นาพระพุทธเจ้าพูดเอาละที่นี้เราก็มาว่ากันไปเป็นกองพลกองพลพอจะรู้จักกันกองพลที่หนึ่งคือกามกา ม, ATE, มาเตปธรรมเสนากองพลที่หนึ่งของกามของมันคือกามลูกศรกองพลนี้แหละที่ใช้ได้ผลมากที่สุดแก่พระหนุ่มเนน้อย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 บ่วงของเราลอยเข้าไปในใจท่านแล้วท่านจะหนีไปไหนสมณนนะณ <c oughs> เบสมณนะโมกขสิติในช่วงนี้ท่านจะต้องตั้งใจมีสตินะทุกรูปทุกองค์มีสติทุกลมหายใจมีสติทุกเมื่อที่เรามีความรู้สึกอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะมีความปารธนาทางกามมวิตกความคุณคิดไปทางกามทางประญาบาทางคุนเครื่อง ทางเกียดทางรักทางชิงชังอะไรให้รู้จักมันรู้จักมันไวอย่าเพิ่งหลงไปกับมันในช่วงนี้ตาไม่ได้เห็นหูไม่ได้เห็นแต่ใจมันจะคิดไปหาคล้ายๆว่าช่วงนี้เรากำลังล่อเสือออกจากถ้ำเคยได้ยินไม่ว่ายุทธการล่อเสือออกจากถ้ำเสือในที่นี้เราหมายถึงกามเราอยู่ในบ้านมันมั่ว หูก็ได้ยินเสียงตื่นขึ้นมาลถขายน้ำปลาสาวเสวืส้อผ้าคาเขี้ยงไม่เลยพี่ชายล่ำอย่างเงียบเขาต่อยมันลุยเข้ามาทางหูแล้วอ้าวใบบินทบาดไปเห็นอีกแล้วน่าเขาข า, ขาผมยาวๆปากแดงๆคิ้วโกงๆมาใส่บานรนาวเกือบตายหนุ่งกางเกงขาสั้นไม่หนาวกับเราเลยเสื้อชั้นในก็ไม่ใส่ไม่ได้ดูก็เห็นเหมือนนั้นก็เข้ามาบุกทะลุทะลวงทางตาอ้าวได้กินแป้งกินเครื่องสำอางมาใส่บงใส่บาอ้ยสารพัดจัง ที่นี่เราปิดนี้มันอยู่ป่าหูไม่ได้ยินแล้วตาไม่ได้เห็นแล้วจมูกก็ไม่ได้กลิ่นสิ่งเหล่านี้ลิน้นรสและการสัมผัสทางกายเราปิดไปหมดเลยห้ารูห้าประตูปิดตายทีนี้ก็เปิดไวประตูเดียวล่อเสือออกแกะําคือช่วงนี้หมดปัญหาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มาเฝ้าดูแต่ประตูแห่งหัวใจ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 ช่วงนี้ปิดตาปิดหูปิดจมูกก็รอดูแต่ใจรักษาประตูเดียวช่วงนี้เรียกว่ายุทธการล่อเสือออกจากถ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็ลาทักกล่าวอารมณ์อันงดงามอันวิจิตในโลกในทางหลายยังไม่ใช่กามแทะ เ, เห็นไหมนะเตกามานิวิจิตรานิโรเกสังกัปราโคโปุสสะกามอารมณ์อันงดงามอันวิจิตทั้งหลาย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 มันคิดได้ทางนั้นกลางวันกลางคืนไม่ได้มืดเลยไม่ได้ส่องไฟให้มันเลยมันคิดไปเรื่องตาเมืองเลยเห็นหน้าค น, โนโนคนนู้นคนนี้ในช่วงนี้คือตัวตามแท้ที่เรียกว่าสังกปราโคบริสสะกาโมจิตที่ดํำริกล้ลไปกับราคะความกําหนัดฉันทะราคะความพอใจยินดีเพล่ดเพลินกับมันนี่แหละคือตัวกามด้วยเห็นนี้เราก็มาจ้องสติรู้เท่าทันตัวนี้ ปิญญายญาปิญญาย ะ, ยายะสัำโพอธารู้มันยิ่งเงินไปรู้ยิ่งเงินไปให้มันสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างนี้ก็สามารถพิ่ิะมานตัวการมารมนี้ได้ช่วงนี้เรามาอยู่ในปานในเขาในเราปิดประตูห้าประตูเหลือไว้ประตูเดียวเรียกว่ายุทธการล่อเสือออกจากะทำอ่าให้มันมาไม่ต้องไปกลัวมันจ้างมันเลยเชิญมันคิดมามันคิดมาร้อยครั้งกูจะรู้มึงร้อยคนคิดมาพันครั้ง รูปมัน 1, หนึ่งพันหนอนไม่คิดเรื่องเดตามเพราะเป็นรู้มันอีกเวลาใดมันเสงงบเราก็จะพิจนารณานเรื่องอสุภะเรื่องอะไรมันเกิดความเบือน่ายใครกับมนี่เราประจันบานกับกามพวกนี้เอาทีนี้ถ้าหากมันปราบเราเรื่องกามไม่ได้ระวังมีกองทัพที่สอง ท, ทตุติยารติวุตจติความไม่ยินดีเราก่าวว่าเป็นเสานาที่สองคือทหารขุนพลที่สองของท่าน ความไม่ยินดีนั้นหมายถึงอะไรเมื่อไม่คํานึงถึงเรื่องกามแต่ก็มีอีกคือเรื่องตรงกันข้ามกับกามคือความไม่ยินดีกามนั้นคือความยินดีอย่างยิ่งเลยแต่นี้ไม่ยินดีเมื่อไม่ยินดีแล้วไม่ใช่ธรรมดาสามัญ น, นะเป็นอันตรายอย่างยิ่งใหญ่คุนผลเนี่ยทาให้เราเกิดความเบื่อเกิดความเซ็งเซ็งในการที่จะต้องมาทาความเพียรในป่านใหเขา เ, าเอาออกมาเกลียดขี้หน้า แม้กระทั่งหมูก่กระทั่งนณะกระทั่งครูบาอาจารย์มันไม่น่าฟังมันไม่อยากจะเห็นบางทีมองเห็นคนโน้นคนนี้ก็น่าเกลียดขึ้นมาระวังให้ดีตอนนี้ก็ทําให้จิตใจฟุ้งวายไม่สงบประนับกองทัพที่สองของมันมันมีคุนผลตัวนี้เป็นผู้นําคือความไม่ยินดีหนักหนาข่าวไม่ยินดีแม้กระทั่งตัวเองอันตรายมากถึงกับผูกคอตายกินยานตายขาดตัวตายไม่ยินดีในโลกนี่ไปอยู่พรหมโลกดีกว่า ออยู่ไปมันชักชาภูขอตายกินยาตายทั้งหมดนั้นคือกองทัพที่สองอสอดแทรกมานักปฏิบัติทำภูคอตายเยอะแยะเลยเพราะว่าเจอขุนผลที่สองกองทัพที่สองเนี่ยมีขุนผลคือความไม่ห็นดีผมนี่แหละคนนึงเคยมาแล้วทําความเพียรแล้วเกลียดขี้หน้าตนเองมันโง่มันไม่รู้มันไม่เข้าใจปฏิบัติไปมันก็ไม่กล่าวหนาสติก็ไม่มีสมาธิาไม่เกิดโอ้ เบื่อนายไม่อยากได้ยินชื่อของมันอคนที่มีชื่ออย่างนี้เกลียดน้ําหน้าตนเองจกตายเบือ่อนายกว่าจะรู้ได้โว้สองสามวันเกือบจะหาเรื่องแล้วดีจะมีสติมีสัมปชัญญะมาทำมาอ้าวความเบื่อนายอยากตายไม่อยากอยู่เกลียดน้ําหน้าตนเองแล้วมันก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งโอ้ยเราปฏิบัติทำเพื่อยังไม่ทุกข์เพื่อจะดับทุกข์เลยกูมันบ้าไม่รู้เท่าทันอย่างนี้จะเห็นไหมล่ะ กองทับพระามาเนี่ยมันมีหลายกองพัดทับกองผ่นมาทุกรูปแบบมาให้รักมาให้รักกระจนนอนไม่หลับคิดถึงบุน้อยคิดถึงเมื่อเรารู้เท่าทันเอามาให้เกลียดไม่มีใครเกลียดเกลียดน้ำหนาตนเองเออบังคับดิดูถูกตนเองมีบุญน้อยมีวาตนาน้อยทําความเพียรก็ไม่กล่าวหน้าเหมือนองค์นน้นองค์นี้ทําไมน้อจึงต้องเป็นเราเราเนี่ยทาความเพียรอย่างยิ่งใหญ่ทําไมจึงไม่กล่าวหน้ารู้เท่าทันมัน ก้าวหรือไม่กล่าวก็วช่างโหว่ามันทํามันไปเรื่อยเรื่อยคนโบราณภาคอีสานบาจากหอดไว้แห่ข้านจากหอดนานไฮแลนด์หอดบ่อหอดสั่งว่ามันพระพุทธเจ้าว่าทำความเพียรเหมือนไก่กอกไข่ไก่มันฟักไข่หน้าที่ของมันฟักต่อไปให้ความอบอุน่นความออกมาเป็นลูกเป็นตัวเป็น เ, นเรื่องของลูกมันเองเมืเ่อปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินไปเรื่อยมันจะเจริญเติบโตเองถ้าใจร้อนมึงทําไมไม่งามเอาปุ๋ยไปใส่วันละกิโลสองกิโลตายทรัพตายเพราะปุย๋ย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 เรากาว่าเป็นเสนาที่สามของท่านกองผลที่สามหิวหิวจะหลอกแจกแหลกกินมาม่าสองห่อนี้ไม่พออยากโน่นยาก น, น, านี่เห็นผักเขียวๆจะปีนลงไปนั่นโอ้ยผักหนอกเอามาต้มน้ำร้อนเอาไปมาเห็นใบไม้ทั้งหลายเป็นผักไปหมดเฮีว้วไม่มีอะไรจะกินจะต้มน้าร้อนต้มใส่เกลือกิน พะเลสดน้ากลัวจะขาดวิธีบินไ ด, ด้หรือไดมันเป็นไปเองแลวจะทาให้เราเสียเวลาในการทำความเพียนหิวกะหายอยู่ตลอดโดยเฉพาะผู้ที่ติดปุรีติดยาเสพติดติดยาทัานใจยาปวดหายช่วงนี้นมันจะบีบคั้นอย่างปวดร้าวที่สดอยากแกซูบบุรีอยากแกกินยาปวดหายอยากกินย า, น า, ยย า, นยาทัานใจตรงนี้เจอกองพลที่สามุนพลที่สามแห่งกองพลที่สามคือคุ ป, ปิปาสา คุปปปาสาเป็นชื่อของเปรตชนิดหนึ่งเรียกว่าคุปปปาสาเปรตหิวอยู่ตลอดเวลาเขาจึงเขียนท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มดูดมาเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะมันหิวอยู่ตลอดภาษาบาลีว่าคุปปปาสาเปรตเปรตหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราตั้งหลายมาปฏิบัติทำอย่าในป่าในเขาอย่าไปเป็นขุน ป, ปิปลาสาเปรตนะมาเม้าสองหอนีเลืออยู่ลเล็กินแล้วแล้ว่าแค่ดี จะยังหัวงเงาเหานอนเอาละมันไม่ตายดอกระวังให้ดีมิฉะนั้นกองผลที่สามมันจะเอาขุปปีปาสาเปดมาสอดมาแทกให้สลัดทิ้งให้หมดอย่าไปบางคนอยู่ไม่ได้จริงๆนะอ่ะผมจะบอกให้ทราบว่าถ้าผู้ใดไม่ซื่อสัตย์ในธรรมกลับไปนี่เป็นลักสุบุรีมีบุรีซ่อนมาสูบยานกฎท่านจะโยกไม่ครบยี่สิบวันหนึ่งจะเจ็บไข้ได้ป่วยสองอยู่ไม่ได้เลาร้อนเอง ก็จะลักนีไปเองการมาที่นี่มันมาปั้นกล้องคนจริงๆเขาจายไหมประกาศสงค ร, รมสงฆ์รมกัเต็มรูปแบบกับพญามารเพราะฉะนั้นหิวกะหายคุณจะหิวผิดปกติถ้าเคยติดบุหรี่คุณจะอยากสูบมากถ้าเคยกินยาปวดหายทันใจยานัดคุณจะหิวกะหายเพราะมาที่นี่เพื่อขจัดความหิวทั้งนั้นจำไว้ให้ดีถ้าหิวอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ว่า น, นี่คือก้องพลที่สาม้ย อกจสูบุรียากจะกินยาทันใจปวดหายก็อ๋อกองพลที่สามมาแล้วโว้ยเราจะไม่ยอมสยบให้แกมันสั่งคาเมเมมันดังเสยโยยยันเจชีเวปราชิตโตตายสี่ในขณะที่ต่อสู้อยู่ดีก็อยู่อย่างเป็นผู้พายแพ้ทีนี้รู้จักกองพลที่สี่จะติดที่ตันห้าปะวุจเติเรากาว่าตันหาเป็นกองพลที่สี่ของท่าน ต้นฐานนี mm ่ค hmm. ืออะเรื pues, them, <agreement> ่องการมาลมนี่อันหนึ่งล่ะพอตัดเรื่องกามได้ก็มีกันเรื่องอยากเป็นอยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี่มาอยู่ที่นี่มันจะเป็นไอโน้นมันจะเป็นไอนี่ไม่อยากเป็นเดี๋ยวจะเป็นโลกกาเพราะเดี๋ยวจะเป็นโน้นเป็นนี่เดี๋ยวจะไม่ได้หนังสือเอาแหละสิเทีนี่มาหลับหูหลับตาในปานในเขากั้นอยากท่องหนังสืออยากได้ปาตี้โมกยากกันได้สวดโน้นสวดนี่อยางกัน อ่านคำกอนคำโครงคำซ้อนครูบาอาจารย์โน่นนี่ดีกว่ามะหนังลาพุงลาตาเนี่มันมีทางเป็นไปได้ทั้งนั้นตอนอยู่วัดขี่เกียจอ่านหนังสือแต่พอมาจะริญสมาธิภาวนาในปนัญญาอีกแล้วตัณหาอยากจะเป็นนักปราชญ์หิ้วความเป็นนักปราชญ์ก็เลยเป็นเปรตอีกประเภทหนึ่งเอง เ, อเหมือนกันเพราะนั้นระวังให้ดีนอกจากอยาก ทางการแล้วไม่ได้ก็มาอยากมีอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นกว่าชาอาชาอยากจะเป็นนักสวดอยากแคเป็นนักสอนอยากแคเป็นนักเทศนั่งสมาธิไปปูงเทศอยู่คนเดียวเทศตั้งแต่นั่งร้องสโมงชั่วโมงเทศเพ่ไปเทศเมากระดาษมาจดไว้กูมันจะลืมแหมมันเทศเก่งเลยเกินแต่เทศคนเดียวอยู่ในใจเทศในต้นไม้ต้นไหลให้ภูเขาฟังทั้งหมดนั่นคือความอยาก อยากเป็นนักปราชญ์อยากเป็นนักเทศอยากมีชื่อเสียงโด่งดังจําไว้ให้ดีนี่คือคนที่ 47.5 แต่ง่วงง่วงง่วงกองพลที่5ความง่วงเหงาห้านอนเรากล่าว่าเป็นเตนาที่5เป็นคุ้นพนที่5ของท่านไม่รู้เป็นง่วงมาแต่ชาติไหนลูกก็มานั่งสมาธิก็เท่ากับว่าเปลี่ยนย้ายที่นอนเท่านั้นเองนั่งปั๊บไม่ทลายคอตกหลับเฉยนั่งอยู่ก็โกนท่าท่าให้เพื่อน วัวตกคอพอับคอแง่เป็นสมาธิไก่งวงสมาธิไก่ตายหาสมาธิไก่ตายภาคสปงกษ์สังาสัวพุ่นทรัพีเจ้ามันหิวอยู่หิ ว, หวนอนมาแต่ไหน <c oughs> อันนี้ก็คือคุณพลที่ข้าก็พยมมาทรัพมากอกทำอย่างไรมีทีแก้มันก็มีอีกนั่นแหละ ตอนนี้ระวังให้ดีถ้ามันง่วงก็เปลี่ยนอิริยาบทเสียและจำกัดอาหารอย่าไปกินมากจะตาโรปันจะอาโลเปพุทธวาปีเวอะลังพาสุวิหาลายะปะหิตตัดตัดสะพิคุโนดูก่อนพิสุทาเธอชั้นอาหารจะอิมเลื้อไว้สีห้าคำเธอเพิ่งหยดเสียแล้วดื่มน้ำให้มากๆ ก, ก, การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำ ส้มควรให้เกิดความพัลสุกแก่พิษุภูมีตนส่งไปแล้วความง่วงเหงาหา้าวนอนมันจะน้อยลงอย่าไปกินมากนะถ้ามันง่วงสังเกตดูกะเทียมสี่ห้าคําคุณเลิกไม่ต้องไปเสียดายมันไม่เป็นโรคขาดอาหารตายผมอดมาให้ดูเห็นไมเนะ่ยยี่สิบเอ็ดวันกินน่าหน้าไม่เห็นเป็นโลกขาดอาหารตายไม่เห็นพร้อมเลยเนี่เห็นไหมเนะ่ยอยู่ไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นหนึ่งเปี่ยนอิริยาบถถ้ามันง่วงก็ยืนเอิน่น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 ชินต่อความร้อนถ้าร้อนแล้วมันก็ง่วงนอนถ้าคุณนั่งร้อนๆคุณจะง่วงนอนทำให้ทําให้เข้าใจนะถ้าคุณอุ่นคุณก็ง่วงนอนเองถ้าร้อนนี่จะยิ่งหน้าร้อนคุณยิ่งง่วงนอนเก่งถ้าคุณขับรถผมเคยอยู่ในทะเลทรายหลายปีทะเลทรายมันร้อนนั่งอยู่ในรถร้อนๆไม่ได้จะง่วงเอาน้ําเย็นๆมาลูบมันก็หายการนั่งหลับตานี่ทําให้ความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้น ต่างๆเฮ้ยเวียนของโลหิตของถาดนนดินน้ําถาดไฟถาดลมอะไรต่างๆมีวงจรอยู่ในตัวแต่ถ้าเราลืมตาขึ้นมันระบายความร้อนไปในตัวนะความร้อนก่อ น, น้อยความง่วงเหงาหฮานอนนี่น้อยเฮ้ยถ้าคุณหลับตาไปคุณร้อนมากคุณก็ง่วงถ้าคุณหลับตาไปในหน้าหนาวคุณอุ่นคุณก็ง่วงถ้าคุณลืมตาทําสมาธิได้จะเป็นการดีที่สุพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้หลับตาให้ลืมตาไนมะ่ให้จัดเอา้าที่มันเหมาะมันสม อีกประการหนึ่งกัางคืนเนี่ยคุณลืมตาคุณมองทิศซ้ายแลขวาอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชัญญนะกาลีโหติมีสัมปชัญญะในการแหลการเลี้ยวเงี้นมองดูท้องฟ้ามองดูดาวแลดูทิศทางไล่มีสติอยู่ในการแลการเลี้ยวสัมปชัญญะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะแหลเลีล้ยวชื่ออย่างนี้เปลี่ยนเอาน้ำร่มนะถ้าคุณยังไม่หาย คุณทำให้ฉลาดสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนมีสติอยู่ส่วนบนแค่หัวขข้นมาที่เรียกว่าปริมุขขังสติงมีสติเฉพาะหน้าแล้วคณก็จ่อสติลงท้าปนาตั้งไว้ตรงไหนเอาไว้ถ้าคุณได้ยินเสียงในหูคงก็จ่อสติฟังที่หูคุณจะมีความรู้สึกไว้ส่วนบนสร้างอโลกสัญญาเหมือนกับมันสว่างสวัยทำไปทำไปคุณจะถึงจุดที่มันสว่าง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 นักปฏิบัติไม่ต้องนอนมากแรอกชาเครียงอนุยุตโตประกอบความเพียรมาพูดเดินตัวนี้ก็เก่งแก้กันไม่ตกสองปีสามปี4ีปีห้าปีแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกก็ไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะนำให้พูด ข, ข้าวๆไว้ก่อ น, น ว, ว่าเราเลิกไปจันรบางกับมันให้ดีๆ